Uh al al หรือไม่พวกเจ้าก็จะกล่าวว่าที่จริงนั้นบรรพ บ, บุรุษของพวกเราได้มีภาคีขึ้นมาก่อน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 และหากเราประสงค์แล้วแน่นอนเราก็ยกเขาขึ้นด้วยบรรดาองค์การเหล่านั้นแต่ทว่าเขาคงมั่นอยู่กับดินและปฏิบัติตามความใคร่ายตามของเขาดังนั้นอุปมาของเขาผู้นั้น จึงดังอุปมาของสุนัขหากเจ้าขับไล่มันมันก็จะหอบลิ้นห้อยหรือถ้าเจ้าปล่อยมันไว้มันก็จะหอบลินห้อยนั่นแหละคืออุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราดังนั้นเจ้าจงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเถิดเพื่อว่าพวกเขาจะได้ใคร่ขวด เป็นตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงๆกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาโคมการของเราแล้วก็ตัวของพวกเขาเองนั่นแหละที่พวกเขาเคยอาจรำไม่ดิลลาห์ฟวลมุตดี ل ل ผู้ใดที่รอสรงให้ทางนำเขาก็เป็นผู้รับทางนำนั้นและผู้ใดที่ประงทรงปล่อยให้หลงทางชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุู Um um um ك ك และความจริงเราแน่ยินและมนุษย์จำนวนมากเป็นเหยื่อสำหรับนะรกยันนำ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 และอัลลอฮนั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนตอพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงอย่ายุ่งกับบรรดาผู้ที่ทำให้เพี้ยนกับพระนามของพระองค์เลย พพววกกกกนนนั้นจะะถูรงงโทททษใสิ่่ีเขาาลและส่วนหนึ่งจากผู้ที่เราได้บังเกิดขึ้นนั้นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาแนะนำตัวเองและผู้อื่นด้วยความจริงและพวกเขาปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยความจริง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 แท้จริงอุบายของข้านั้นมั่นคงยิ่ง ة, และวพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวดอกหรือว่าที่สหายของพวกเขานั้นหาได้มีความบ้าใดใๆไม่เขาม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ที่ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึ่งเท่านั้น ى ي และพวกเขาไม่ได้มองดูอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อโลได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรื แาจเป็นไปได้ว่ากําหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็คําพูดใดเล่าที่พวกเขาจะศรัทธากันหลังจากอัลกุรอา น, มมนผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลงไปแล้วก็ไม่มีผู้แนะนําใดๆอีกสําหรับเขาและพระองค์จะทรงปล่อยให้พวกเขา ระเหเร่อร่อน อ, อยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไป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 เวลาของมันไม่มีการจะเผยมันให้ทราบได้นอกจากพระองค์เท่านั้นมันหนักอึ้งอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะไม่มาถึงพวกเจ้านอกจากโดยกระทันหันพวกเขาถามเจ้าปรณ์หนึ่งว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรื่องนั้นดีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นแต่ทว่าคนส่วนมากไม่รู้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 ครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กับนางนางก็ตั้งคันอ่อนๆแล้วนางก็ผ่านมันไปครั้นเมื่อนางอุ้มคันหนักเขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองว่าถ้าหากพระองค์ประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้แก่เราแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณทั้งหลาย ฟัล ال ัอตห์มะ صالحجعللهشركاء فيما อต้าหมะ فتعال الله عما يشركون นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่ดีให้เขาทั้งสองเขาทั้งสองสามีพัญญาก็ให้มีบรรดาพาขีขึ้นแก่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง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 Um, uh um um um แท้จริงบรรดาผู้ที่เจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอ์นั้นคือผู้ที่เป็นเบาวเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองจงวิงวอนขอต่อพวกเขาเถิด แล้วจงให้พวกเขาตอบรับพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง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 แล้วจงวางอุบายเพื่อกำจัดฉันด้วยแต่ไม่ต้องยืดเวลาให้แก่ฉันเลยอินนวลยัลลอฮทน ال ้จรลตาบะวะฮวะยวลลัสลิฮทผู้คุ้มครองของฉันนั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำพีลงมาและในขณะเดียวกันพระอ ง, งค์ก็ทรงคุ้มครองบรรดาคนดีทั้งหลาย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 ى ي และหาพวกเจ้าวิงวอลพวกมันให้ไปสู่ทางน้ำที่ถูกต้องพวกมันก็จะไม่ได้ยินและเจ้าจะเห็นพวกมันมองมาอย่างเจ้าทั้งๆ ท, ท, ที่พวกมันมองไม่เห็น เจ้ามูฮัมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการอาภัยและจงใช้ให้กระทำความดีและจงหันเห อ, ออกไปจากผู้โฉดขาทั้งหลายเถิดและหากมีการกระซิบกระซาบใดๆจากชัยตอนที่กำลังกระซิบกระซาบเจ้าอยู่ ก็จงขอความคุ้มครองต่อลอ้อเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อินนัลลตตะวอิามสหฮุม้าอฟุมินัลชอะรูะรูหุมมบุบัิรุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นเมื่อมีคำชี้นำใดๆจากชัยตอนประสบกแก่พวกเขาพวกเขาก็รำลึกได้ แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็นวนูฮุมยนฮิลไฆษมมายกอศละพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิดและพวกเขาจะไม่ลดละวะอิซาลัมตะอติฮินบายะินกาลูลาอูลาจตใบทฮา قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ر ى ب ر من ر ي هذا بصائر من ربكم وهد و ر ح م لقوم يؤمنون และเมื่อไม่ได้มีองการได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าฉะไหนเล่าท่านจึงไม่อุปโลกมันขึ้นเองจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าจงสะดับฟังอัลกุรอานนั้นเถิดและจงนิ่งเงียบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา และเจ้ามุฮัมมัดจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยำเกรงโดยไม่ต้องออกเสียงดังทั้งในายามเช้าและยามเย็นและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หลงหลืออินนัลลาฮิลัดะรบบิลาอิสต์คบรูนัลอิบดตลาสตบรูนัลนอิบดัตีฮิวยัสบบิฮูนวะลฮูยัสุดู แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่หน้าที่พระผู้อวิบาลของเจ้านั้นพวกเขาจะไม่ยิ่งยะโส ต, ต่อการเคารพสการะพระองค์และจะกล่าวให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นพวกเขาจะก้มลงกราบ